พระบัญญัติก็ภิกษุณีใดกั้นร่มและสวมรองเท้าต้องอบัติปจิตตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้เรื่องภิกษุณีชพักขีจบ